วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบหกตุลาคมพุทธศักราชสอง2ันห้ากสบสองเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆยังได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังคำสั่งคำสอนคำเตือน ของพระพุทธเจ้าที่ส่งเตือนให้พวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทด้วยการให้เราลึกถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตอยู่เนืองๆก็คือให้เราเลิกว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา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 ถ้าเราหมั่นละลึกถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตอยู่เรื่อยๆจะทำให้เราไม่ประมาทจะทำให้เรารีบขวนขวายสร้างบุญสร้างกุศลเป็นที่พึ่งแทนร่างกายต่อไปเพราะเรารู้ว่าต่อไป เราจะไม่สามารถอาศัยร่างกายของเราเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความสุขกับเราได้เราก็ต้องหาที่พึ่งคือบุญกุศลมาให้ความสุขกับเราถ้าเรามีบุญมีกุศลเวลาที่ร่างกายของเราไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ เราก็ใช้บุญกุศลที่เราสร้างกันขึ้นมาเป็นที่ให้ความสุขกับเราได้เวลาเราแก่เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่เราจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีบุญให้ความสุขกับเรานั่นเอง นี่คือความเตือนของพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นทรงรู้ว่าพวกเรามักจะประมาทกันพวกเรามักจะลืมคิดกันว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องแก่กันเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันเราจะต้องตายกันเราจะต้องพัดพากจากกัน จึงต้องคอยสอนคอยเตือนอยู่เรื่อยๆให้หมันพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากกันอยู่เนืองๆเพื่อที่จะได้ไม่ลืมเพื่อที่จะได้รู้ว่าต่อไปเราจะพึ่งร่างกายของเราไม่ได้เราต้องหาที่พึ่งทดแทนที่พึ่งสำรอง เหมือนกับนักบินที่ขับเครื่องบินรบเนี่ยเขาจะมีชูชีพเวลาที่เครื่องบินเกิดติดขัดหรือถูกฆาต ศ, ศัตรูทำลายนักบินก็สามารถดีดตัวเองออกจากเครื่องบินได้แล้วก็จะลองสู่พื้นดินอย่างปลอดภัยเพราะมีร่มชูชีพ ติดมากับตัวด้วยนะบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันมาทำกันนี้ก็เป็นเหมือนร่มชูชีพของพวกเราร่างกายของเรานี่เป็นเหมือนเครื่องบินที่ตอนนี้เราอาศัยพาเราไปหาความสุขต่างๆแต่สักวันหนึ่งเครื่องบินคือร่างกายของพวกเรา จะต้องเกิดปัญหาขึ้นมาจะไม่สามารถพาเราไปไหนมาไหนไปหาความสุขต่างๆให้กับเราได้เราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรามีชูชีพมีบุญมีกุศลมาเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราบุญก็คือความสุขใจนี้เอง วิธีสร้างบุญสร้างความสุขใจให้กับเราก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่สำคัญนี้ก็มีอยู่สี่วิธีด้วยกันคือหนึ่งให้สร้างบุญด้วยการทำทานเรามีข้าวของเงินทองที่มีมากกว่าที่เราจะต้องเอาไปใช้ เราก็เอาไปทำบุญทาทานดีกว่าเอาไปเที่ยวเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้เป็นบุญเป็นเพียงความสุขชั่วคราวจากการที่เราได้ไปเที่ยวกันรืกไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆกันแต่มันจะไม่ได้ทำให้เรามีบุญมีความสุขใจอิ่มใจ เป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่เงินทองที่เราไปใช้กับการทำทานทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทำบุญกับสาธารณกุศลต่างๆทาบุญกับวัดทาบุญกับโรงเรียนทำบุญกับโรงพยาบาลทำกับใครก็ได้ ขอให้เราทําโดยที่เราไม่ได้เรียกผลตอบแทนกลับคืนมาเป็นการให้ไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนก็จะไม่เป็นบุญเช่นเราทําบุญแล้วทําบุญที่วัดแล้ววัดเขาก็ให้พระเลี่ยมทองมาหนึ่งองค์อย่างนี้เป็นการซื้อขายไม่ได้เป็นการทําบุญ ถ้าเป็นการทําบุญนี่เราไม่รับอะไรเป็นการตอบแทนไม่ได้เรียกร้องแต่ถ้าผู้ที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากเราเขามีอะไรอยากจะตอบแทนน้ำใจอันนี้เราก็รับไว้ได้แต่ไม่ได้เป็นการาตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าถ้าช่วย ฉันแล้วฉันจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณถ้าอย่างนี้เป็นเหมือนกับการแลกเปลี่ยนหรือเป็นเหมือนการซื้อขายไม่เกิดบุญไม่เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าทำด้วยการให้โดยฝ่ายเดียวไม่ต้องการที่จะรับอะไรเป็นผลตอบแทน ก็จะได้เกิดความสุขใจเกิดความเอี่มใจขึ้นมาความสุขใจเอี่มใจนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขเช่นต่อไปเราแก่เราไปเที่ยวไปหาความสุขไม่ได้เราฝากเงินเขาไปทำบุญได้ตอนนี้มีงานกระถินเยอะแยะไปหมดเราไปเองไม่ได้เราก็ฝากเงินไปทำบุญได้ มาไปเราก็มีความสุขจากการทำบุญได้ถ้าเราไม่เคยหัดทำบุญกันมาก่อนพอถึงเวลาแก่เราจะทำไม่เป็นเราจะเสียดายเงินเสียดายทองไม่รู้ว่าทำไปแล้วจะได้อะไรแต่ลาเรามาฝึกทำกันอยู่เรื่อยๆทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่าทำเพื่อที่จะหวังได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้มันจะเป็นการทำให้เกิดความโลภขึ้นมาในใจที่จะมาปิดบังความสุขที่เกิดจากการไม่โลภความสุขที่เกิดจากการเสียสละเห็นเวลาทำบุญทำทานไม่ต้องขออะไรทั้งนั้น มันพอขอแล้วมันก็กลายเป็นความโลภขึ้นมาขอไปสวรรค์ขอไปนิพพานขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้แข็งแก้กาดปลอดภัยบางคนเจ็บไา้ได้ป่วยก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะการทำบุญแบบนี้มันทำด้วยความโลภนะ ทำแล้วแทนที่จะได้อ น, นิสงของการทำบุญคือความสุขใจสบายใจมันก็ไม่เกิดขึ้นมาให้ เ, เ, เราทำเราอย่าไปขออะไรอย่าไปอยากได้อะไร เ, เพียงแต่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้ความสุขกับผู้อื่นบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้ว ความสุขที่เราให้เขามันจะตักเข้ามาสู่ใจของเราเองโดยอัตโนมัติตายไปมันก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมาบุญที่เราทำนี้มีประโยชน์หลายระดับหลายขั้นตอนด้วยกันระดับขั้นตอนในปัจจุบันทาแล้วก็ทำให้เรามีความสุขได้เราไม่สบายเราแก่เราไปเที่ยวไม่ได้ เราทำบุญเราก็ได้ความสุขขึ้นมาแล้วความสุขนี้จะอยู่กับใจเราไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วความสุขใจที่ได้จากการทำบุญก็จะทำให้ใจเราเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นสวรรค์ขึ้นมาแล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่บุญที่เราทำไว้ ก็เป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารของภพหน้าชาติหน้าพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมีเงินทองรอรับเราอยู่เราจะได้มาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีทำมากทำน้อยก็ยก็จะได้มากได้น้อยจากการกระทำของเรานี่คือประโยชน์สุขของบุญ ที่พึ่งของพวกเราที่จะให้ความสุขกับเราได้ในช่วงที่เราไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราก็ใช้เราก็ใช้บุญนี้มาให้ความสุขกับเราเวลาเราแก่เราก็อยู่บ้านเราก็ทำบุญใส่บาท ทำบุญอะไรต่างๆเราก็มีความสุขจะทำให้เราไม่รู้สึกกดยิตลำคาญใจที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ไปร่วมงานที่นั่นที่นี่ท่ามใจมีบุญแล้วใจจะไม่หิวโหยกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้อยู่บ้านเฉยๆได้หรือไปอยู่วัดก็ได้ ถ้าอยากจะเพิ่มบุญขึ้นมาเพราะบุญนี่มีหลายระดับด้วยกันระดับการทำบุญทาทานนี้ก็ระดับหนึ่งถ้าอยากจะได้บุญที่สูงกว่านี้เราก็ขยับการปฏิบัติของเราเพิ่มบุญขึ้นมาอีกสองชนิดคือบุญที่เกิดจากการรักษาศีล และบุญที่เกิดจากการภาวนาการที่เราจะภาวนาได้เราก็ต้องมีการรักษาศีลแปดขึ้นไปเพราะถ้าเรายังรักษาศีลแปดไม่ได้เราก็ยังที่จะไม่มีเวลาที่จะไปภาวนา เคสร้างบุญที่เกิดจากการทําใจให้สงบนะีใจจะสงบได้ต้องมีเวลาต้องมีที่สงบมีการควบคุมความคิดปรุงแต่งของจิตใจให้หยุดคิดหยุดปรุงแต่งถ้าใจหยุดคิดหยุดปรุงแต่งแล้วใจก็จะมีความสงบการจะหยุดคิดหยุดปรุงแต่งก็จะต้องหยุดกิจกรรมต่างๆไปนั่นเอง กิจกรรมการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกเล้นกายสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความสุขที่เกิดจากการภาวนาจากการไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็ต้องหยุดกิจกรรมทางร่างกายไปศีลแปดนี้เป็นศีลที่มาห้ามไม่เรามาทํากิจกรรมทางร่างกาย มาหาความสุขทางร่างกายกันนั่นเองให้เราหยุดแล้วมาหัดหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจเพื่อให้ใจสงบเมื่อใจสงบแล้วใจจะมีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายไปหากิจ ไปหาความสุขต่างๆด้วยกิจกรรมต่างๆเราถ้าอยากจะภาวนาอยากจะสร้างบุญที่สูงขึ้นที่มากขึ้นเราก็ต้องหยุดกิจกรรมการหาความสุขทางร่างกายเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่เราใช้กับกิจกรรมทางร่างกายมาสร้างความสุขทางจิตใจกันเราก็จะ ถือศีลแปดนะคือหนึ่งเราจะลาเว้นจากการร่วมหลับนอนกันถ้าเป็นสามีภรรยาเป็นคู่ครองก็จะงดกิจกรรมอันนี้ไปช่วงที่เราไปถือศีลไปไปภาวนานี่คือศีลข้อที่สามของศีลห้าปกติถ้าถือศีลห้าก็จะ ถือข้อสว่ารัเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีคือจะร่วมหลับนอนเฉพาะกับคู่ครองของเราคนที่ไม่ใช่คู่ครองของเราเราจะไม่ทำกิจกรรมร่วมกับเขานี่คือศีลข้อสามของผู้ที่ถือสีนห้าแต่พอมาถือสีนแปดก็ต้องเปลี่ยนจาก การไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นการประพฤติพรหมจรรย์นะอะปรามจาริยาเวรามณีจะละเว้นจากการประพฤติการประพฤติอัปพรหมจิตที่ไม่ใช่เป็นจิตของพรหมจรรย์นะอบรามจาริยาให้มาประพฤติจิตของพรหมจรรย์ก็คือ ไม่มีการร่วมดับนอนกับใครถึงแม้จะเป็นสามีเป็นภรรยาถ้าอยากที่จะมีเวลาไปภาวนาไปสร้างความสุขทางใจก็ต้องแยกนอนกันคนละห้องหรืออยู่กันคนละที่สามีอยู่บ้านภรรยาไปวัดหรือภรรยาอยู่บ้านสามีไปอยู่วัด หรือไปวัดด้วยกันก็ได้ทางวัดก็จะมีจัดที่พักให้แยกกันอยู่ฝ่ายผู้ชายก็อยู่ฝ่ายอยู่ซีกหนึ่งฝ่ายผู้หญิงก็อยู่อีกซีกหนึ่งจะได้ไม่มีทำกิจกรรมทางร่างกายกันจะได้เอาเวลานี้มาเจริญสติมาปฏิบัติธรรมาสร้างธรรมะสร้างบุญสร้างความสุขทางใจ โดยการทําใจให้สงบนอะกจากศีลข้อสแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อจากศีลห้านะคือศีลข้อที่หกแล้วไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากต่างๆรับประทานได้ตามความจำเป็นของร่างกาย ตามความต้องการของร่างกายร่างกายถ้าได้รับประทานวันละครั้งสองครั้งก็พอเพียงต่อการดูแลรักษาร่างกายแล้วก็ไม่ต้องรับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้มีเวลาเอามาปฏิบัติธรรมพอรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วทีนี้ก็ว่าง ไม่ต้องมาคอยกังวลกับการหาอาหารเย็นอาหารค่าจะได้มีเวลาไปภาวนาได้ตั้งแต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วช่วงเช้าอาจยังจะต้องวุ่นวายกับการเรื่องหากินหาอะไรกันทำภารกิจอะไรทางร่างกายไปแต่พอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วทีนี้ก็ให้ ยุกิจยุติกิจกรรมทางร่างกายให้ไปให้หมดนะข้อที่เจ็ดก็ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกเน้นกายไม่ให้ไปดูไปฟังไปริ้มรส ด, ดมกลิ่นของอาหารของเครื่องดื่มอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลามาเจริญสติมาเจริญปัญญา สิ่งข้อเจ็ดก็คือไม่ให้หาความสุขจากมหัศลศพและบันเทิงต่างๆดูหนังฟังเพลงร้องลําทำเพลงหรือเสริมสวยความงามทางร่างกาย เ, าเสริมสวยด้วยเสื้อผ้าอภรร์วิจิตพิสดารเสริมสวยด้วยการทำเผ้าทำผมทำหน้าทำต า, เ, าเสริมสวยด้วยการใช้น้ำมันใช้น้ำหอมชะลมร่างกาย การกระทาเหล่านี้เป็นความสุขทางร่างกายที่เราไม่ต้องการจะใช้เป็นเครื่องมือเพราะเป็นความสุขชั่วคราวให้มาหาความสุขทางใจถ้าเราโมแต่ไปแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเพื่อที่จะออกไปทำไปงานต่างๆไปงานเลี้ยงงานอาหารคำ่ำงานวันเกิด หรือไปดูมาหอรสศพบันเทิงอะไรต่างๆเวลาที่เราจะเอามาสร้างบุญสร้างความสุขใจก็จะไม่ดีนั่นเองเนี่สิ่งข้อเจ็ดนี่ห้ามไว้สิลงข้อแปดก็ห้ามไม่ให้เรานอนมากเกินไปนอนมากเกินไปก็จะเอาเวลาของการปฏิบัติธรรมไปให้นอนเท่าที่น่างกายต้องการ ร่างกายนี้ปกติถ้าได้พักผ่อนนอนสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแต่ถ้าเราไปนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆนะเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากลุกเพราะมันมีติดกับความสุขกับนอนบนฟูกหนาๆนั่นเองก็เลยจะนอนต่ออีก ก็เพิ่มอีกสามสี่ชั่วโมงเสียเวลาอันมีค่าที่เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมนี่เราจึงต้องนอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าปูด้วยเสื่อก็พอแล้วมันจะนอนไม่มากพอร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วก็จะเต่นขึ้นมาพอเต่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อ เพราะมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาทากิจทางด้านธรรมะคือมาเจริญสติมานั่งสมาธิด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมหรือด้วยการอ่านหนังสือธรรมะวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่จะ สร้างบุญให้เกิดขึ้นภายในใจบุญที่จะให้ความสุขกับใจที่จะทําให้ใจนี้ไม่ต้องพึ่งร่างกายในการหาความสุขถ้าเราได้เข้าถึงบุญระดับนี้แล้วเราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายบุญที่ได้จากการทําใจให้สงบ ท่านบอกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัติสันติปรังสุขขังสุขเอื่นเหนือที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นสุขที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดที่พวกเราสามารถที่จะาหามาครอบครองไว้ได้ถ้าเราหัด ทำกันเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าไปรอทำตอนที่แก่ตอนที่เจ็บหรือตอนที่จะตายตอนนั้นมันสายไปเสียแล้วเหมือนกับนักเรียนที่จะเข้าห้องสอบนี่ต้องมันทำกันบ้านอยู่เรื่อ ย, อยต้องมันดูหนังสืออยู่เรื่อ ย, อยไม่ใช่มารอ วันก่อนที่จะสอบแล้วค่อยมาดูหนังสือมาทำการบ้านนะเวลานั้นเวลามันจะไม่พอที่จะทำให้สามารถไปทำข้อสอบได้นะชีวิตของพวกเรานี้ก็มีข้อสอบนะข้อสอบของพวกเราก็คือความแก่ความเจ็บและความตายนะซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหรนะ่ ความแก่นี้เราพอจะรู้กันได้เพราะว่ามันมีเวลาของมันความแก่มันก็ต้องมีอายุมากขึ้นไปมันความแก่มันก็ค่อยคืบคานเข้ามาแต่ความเจ็บความตายนี้มันไม่แน่มันมาได้ทุกวันทุกเวลาทุกอายุนี่คือให้เราคิดแบบนี้เราจะได้ไม่ประมาทอย่าไปคิดว่าเอยเรายังหนุ่มยังสาว เรายังมีเวลาอีกเยอะตอนนี้ขอหาความสุขผ่านทางร่างกายไปก่อนไว้รอให้เราแก่ก่อนแล้วค่อยไปเข้าวัดไปหัดภาวนาพอมันแก่แล้วมันจะหัดอะไรยากกว่าตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กะโบราณก็ว่าไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่าย เห็นตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้เยา ว, ว์วัยนี้เป็นเวลาที่เหมาะต่อการเรียนรู้อะไรต่างๆเป็นเวลาที่เหมาะกับการฝึกฝนอบรมอะไรต่างๆมันจะทําให้ง่ายแต่พออายุมากขึ้ น, นความแก่มากขึ้นเนี่ยความที่มันเคยชินกับนิสัยเดิมมันจะมีมากขึ้นพอจะต้องมาเปลี่ยนนิสัยใหม่นี้มันจะรู้สึกยากลําบากนะ ว่ามันฝืนไม่เชื่อลองมาหัดใช้มือที่เราไม่ใช้ที่เราไม่ถนัดดูเราถนัดมือขวาแล้วลองไปหัดใช้มือซ้ายดูตอนที่เราหัดทำใหม่ๆเราจะรู้สึกว่ามันยากเหมือนไม่ถนัดแต่ถ้าจำเป็นจริงๆถ้าเกิดมือขวามันเป็นอะไรไปถูกบังคับให้ใช้มือซ้าย ถ้หัดใช้ไปเรื่อยๆต่อไปก็สามารถจะใช้ได้เหมือนกับใช้มือขวายิ่งถ้าต้องหัดใช้ตั้งแต่ตอนที่เกิดมาเนี่ยเด็กบางคนเกิดมาพิการมีเด็กคนหนึ่งแขนด้านหนึ่งเสียหายไม่ใช้ไม่ได้เหลือแต่ขาแขนด้านหนึ่งก็หัดใช้แขนด้านเดียวไปจนทั้งชํานาญสามารถ ไปีกอแข่งขันได้รางวัลที่หนึ่งก็มีทั้งๆ ท, ที่มีแค่เพียงแขนเดียวแต่มีเวลาที่ได้ฝึกฝนได้หัดใช้แขนนั้นจนชำนาญจนสามารถแข่งขันเอาชนะคนที่เขาใช้สองแขนได้นนี่ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรประมาทกัน แต่ไม่ประมาจก็คือเราต้องหมั่นเตือนใจเราเรื่อยๆถ้าเราไม่เตือนเราก็ลืมลืมแล้วเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงว่าเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายกันเราก็จะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันพอหาแล้วมันก็ติดพันกันไป ได้ความสุขกันนี้แล้วก็จะไปหาความสุขกันนั่นต่อทำให้นี่แล้วก็จะไปทำให้นั่นต่อมันก็จะมีกิจกรรมอะไรมาทำให้เราต้องทำต่อกันอยู่เรื่อยๆจนทำให้เราลืมความแก่ความเจ็บความตายไปได้เราต้องบังคับตัวเราเองอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาก่อนจะไปทำงานก็ให ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ให้นำลึกถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังมีอะไรมาคอยเตือนสติบ้างมาลดกิเลสตัณหาความโลภความอยากลงได้บ้างเหมือนถนนที่เขาต้องการให้รถรถวิว่งความเร็วลดลงนี้เขาทาอย่างไรเขาก็ทำที่ขวางบนถนนให้รถต้องชะลอ พอมาถึงที่กีดขวางรถที่วิ่งเร็วมาก็ต้องชะลอลงทันทีถึงจะข้ามที่กีดขวางไปได้โดยไม่ทําให้รถเสียหายถ้าไม่มีที่กีดขวางรถก็จะวิ่งเร็วไปไม่มีการชะลอตัวลงอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจเราถูกกิเลสตัณหามันคอยเหยียบคันเร่งให้กับชีวิตของเราให้เราไปหาความสุขชนิดต่างๆ ผ่านทางร่างกายของเราอย่างไม่ไม่หยุดไม่ยั้งกันเราจรึงต้องมีอะไรมาชะลอกิเลสตัณหาของพวกเราไว้บ้างก็นี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรามันระลึกกันอยู่เรื่อยๆนี่แหละเป็นเหมือนกับเครื่องกิดขวางกิเลสตัณหาที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของเรา ไปในทางกิเลสตัณหานี้ชะลอตัวหลงได้พอเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาเนี่ยความหลงกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้มันจะลดลงทันทีนะมันจะเริ่มคิดไว้ต่อไปเราแก่เราจะทํำยังไงต่อไปเราเจ็บเราทำอย่างไรเราจะหาความสุขอย่างไร ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนนต่อไปเวลาแก่เวลาเจ็บนี่คนจะคิดค่าตัวตายกันนะเพราะว่าไม่เคยฝึกฝนอบรมให้อยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บนะพอเจอความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่รู้จักทำใจความจริงมันไม่เป็นเรื่องหน้าหวาดกลัวอะไรเรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย เพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องของเราเนะเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเรื่องของร่างกายแต่เนื่องจากความหลมของเรามันหลอกให้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันเพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาเราก็เกิดความอยากไม่ให้มันเป็นขึ้นมาตัวนี้ต่างหากที่สร้างความสะเทือนใจ สร้างความทรมานใจจนถึงไม่อยากจะอยู่ต่อไปถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายคือความทรมานใจกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายต่างหากแต่ถ้าเราได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจไม่ให้พึ่งร่างกายให้หาความสุขจากการทําใจให้สงบจิตใจเราจะไม่เดือดร้อน เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจิตใจเราจะเป็นปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราสามารถควบคุมจิตใจของเราไม่ให้สร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาลบกวนใจเราเองได้ความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ได้เป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับพวกเรา ตัวที่มาสร้างความทุกข์ทรมานใจคือตัวความอยากของเราความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายไอ้ตัวนี้ต่างหาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจจนต้องฆ่าตัวตายกันไปถ้าไม่มีตัวนี้แล้วใจก็อยู่เฉยๆไปร่างกายมันก็เจ็บของมันไปแต่ความเจ็บของร่างกายนี้มันไม่รุนแรง เท่ากับความเจ็บที่เกิดจากความอยากของใจเองใจสงบแล้วความเจ็บของร่างกายนี้นิดเดียวความเจ็บส่วนใหญ่อยู่ที่ใจพอทำใจให้สงบแล้วความเจ็บส่วนใหญ่จะหายไปความเจ็บเก้าสิบเปอร์ซนนี้เป็นของใจความเจ็บของร่างกายนี้เป็นเพียงสิบเปอร์เซ็น์ท่านั้นเองพอทำใจให้สงบได้ ปล่อยวางร่างกายได้ด้วยปัญญาด้วยการรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายเป็นอะไรถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องไปฆ่ามันการฆ่านี้แทนที่จะแก้ปัญหากับเพิ่มปัญหาขึ้นมา เพราะว่าการฆ่านี้เป็นการกระทําบาปผิดศีลแม้จะฆ่าร่างกายของตนเองก็เป็ น, ปนบาปจะทําให้ใจนีทุกข์ขึ้นมาอีกหลายหลายหลายเท่าด้วยกันทุกจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังไม่พอมาเพิ่มความทุกจากการฆ่าร่างกายอีกแล้วก็จะดึงใจให้ไปสืบบายต่อไปอีกทุกบน ทุกบนทุกกกับความเป็นมนุษย์นี้ดีกว่าทุกกกับการไปทุกในนรกเนี่ยที่เกิดจากการทำบาปคนฉลาดจึงไม่ฆ่าตัวตายคนฉลาดฆ่ากิเลสฆ่าความอยากฆ่าความอยากให้โรคภยัยไข้เจ็บหายไปฆ่าความอยากไม่ให้ตายไอ ต, ตัวนี้ต่างหากที่มาสร้างความทุกข์ ที่ทรมานใจให้กับใจพอฆ่าความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่กับมันไปจนวาระสุดท้ายได้อยู่มันไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายอย่างไม่หวั่นไหวอย่างไม่เดือดร้อนถ้าทําใจให้สงบ แล้วก็สอนใจให้ปล่อยวางด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราไปห้ามมันไม่ได้ห้ามมันให้มันไม่แก่ไม่ได้ห้ามมันให้ไม่เจ็บไม่ได้ห้ามให้มันไม่ตายไม่ได้เมื่อถึงเวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายนี้ไม่มีใครไปห้ามมันได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ไปห้ามมัน ใจเราจะไม่เกิดความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากห้ามให้นั่งกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เองนี่คือ <c oughs> เรื่องราวของการสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เอามาแก้หรือเอามาแก้ปัญหาหรือทำข้อสอบของเรา วเราต้องเข้าห้องสอบกันห้องสอบของชีวิตก็คือความแก่ความเจ็บและความตายกันต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนต้องพัดพากจากกันด้วยกันทุกคนเราสามารถที่จะทําข้อสอบเหล่านี้ได้คือเราจะไ ม, ไม่ต้องมีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเราหัดทาการบ้านกันอยู่เรื่อยๆมาหัด สร้างเครื่องมือที่จะทำข้อสอบเลบานี้เครื่องมือที่เราจะต้องสร้างก็มีอยู่สองอันนี้เองคือหนึ่งสติสองปัญญาสตินี้เป็นตัวที่จะมาควบคุมจิตใจควบคุมความคิดของเราให้หยุดคิดกันถ้าเราควบคุมความคิดให้มันหยุดคิดได้ใจของเราก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมา พอมีสมาธิใจก็จะเป็นอุเบกขาจะวางเฉยจะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายจะเจ็บจะปวดอย่างไรพอจิตสงบแล้วถึงแม้ความเจ็บความปวดไม่ไม่หายไปจิตใจก็อยู่กับมันได้เพราะความเจ็บความปวดส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย อยู่ที่จิตใจอยู่ที่ความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปพอเราใช้สติควบคุมหยุดความคิดความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปได้พอจิตสงบเท่านั้นความเจ็บทางร่างกายยังอยู่แต่ความเจ็บทางใจนี่หายไปหมดก็เหลือเหลือความสุขเพียงเหลือความทุกข์ทางร่างกายเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นเอง ความทุกข์ทางใจเก้าในสิบนี่หายไปหมดหายด้วยอํานาจของสตินี่เองเราถึงต้องมาหัดสร้างสติกันภาวนาพุทโธพุทโธกันครูบาอาจารย์ท่านปากเปียกปากจี่กันทุกรูปสอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธกันให้ทําการบ้านกันแต่พวกเราก็ไม่เชื่อไม่ฟังกันฮไม่ยอมพุทโธกันฮชอบคิดหากระเป๋าหารองเท้า หาขนมหาเครื่องดื่มหารูปหาเสียงหาอะไรต่างๆนานาชอบคิดกันแบบนี้ทั้งนั้นชีวิตก็เลยวุ่นวายทั้งๆที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็วุ่นวายไปกับการหาสิ่งต่างๆแล้วหาไม่ได้ก็เสียอกเสียใจหามาได้แล้วพอสูญเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจอกีกมันวุ่นวายไปกับความคิดทั้งนั้นอะ ความคิดเหล่านี้แหละเป็นตัวที่สร้างความวุ่นวายใจสร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับเราถ้าเราหัดพุทโธไปเรื่อยๆควบคุมสู้กับความคิดไปเรื่อยๆต่อไปความคิดมันจะสู้พุทโธไม่ได้พอมันจะคิดปั๊บเราพุทโธสองสามทีมันก็หยุดละ่ะแต่ตอนเราเริ่มต้นนี้มันยังไม่มีกําลังพุทโธพอเราพุทโธไปความคิดมันก็ยังคิดของมันไปอยู่ ว่าความคิดมันมีกําลังมากกว่าเหมือนรถที่วิ่งเร็วๆนี่เราแตะเบรกปั๊บไม่ใช่ว่ามันจะหยุดทันทีนะเราต้องคอยแตะไปเรื่อยๆเหยียบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดนถึงจะปล่อยได้นี่พอมันหยุดแล้วทีนี้พอเราปล่อยพอพอมันจะเวิ่งปับ๊บเราแตะทีเดียวมันก็หยุดได้นะจิตความคิดก็เหมือนกันตอนนี้มันเหมือนรถยนต์ที่วิ่งเร็ว พอเราแตะเบรกด้วยพุโทโธคำสองคำมันไม่หยุดนะเราต้องพุโทโธไปเรื่อยๆ5้านาทีสิบนาทีใจเย็นๆพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าหยุดนะแล้วเดี๋ยวต่อไปความคิดมันจะต้องหยุดนะถ้าเราไม่หยุดพุโทโธนะธรรมย่อมชนะอาธรรมนะพุโทโธคือธรรมนะความคิดของกิเลสเรียกว่าอัธรรมความคิดตามความโลภตามความอยากนี่เรียกว่าอาธรรมนะ ทำรรย่อมชนะอธรรมเสมอนี่นี่คือความหมายของธทรรมชนะอธรรมแต่โวกเรามักจะไปคิดว่าเราจะต้องชนะคนอื่นเราดีเขาคนอื่นไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่เนี่ยบางทีเราไม่ชนะเขาเราคิดว่าเรามีความดีเขามีความเชื่อเราต้องชนะเขาแต่เขากลับชนะเราะ อนนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมกับอาธรรมเนยธรรมกับอาธรรมนี่หมายถึงธรรมกับอาธรรมที่มีอยู่ในใจของเราต่างหากไม่ใช่ธรรมที่มีอยู่ในตัวเรากับธรรมกับอาธรรมที่มีอยู่ในตัวคนอื่นเพราะเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครจะมีมากกว่ากันฮเราคิดว่าเรามีอาธรรมน้อยกว่าเขาดีไม่ดีเรากลับมีอาธรรมมากกว่าเขาก็ได้ มีกิเลสมีกิเลสมีความชั่วมากกว่าเขาก็ได้แล้วเราจะไปชนะเขาได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่นะเราธรรมะย่อมชนะอาธรรมนี่ท่านหมายถึงธรรมกับอาธรรมที่มีอยู่ในใจเราธรรมก็คือสติปัญญานี่เรียกว่าธรรมอาธรรมก็คือกิเลสตัณหาเนี่เองคู่นี้เป็นคู่ต่อสู้กันะ ธรรมะกับกิเลสตัณหานี้เป็นคู่ต่อสู้กันธรรมะเราเรียกว่าธรรมส่วนกิเลสตัณหาเราเรียกว่าอธรรมถ้าเราสร้างธรรมะให้มีกําลังมากกว่าอธรรมมากกว่ากิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็ต้องแพ้สติปัญญามีผู้พิสูจน์มาได้ผลมาแล้วคือพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลาย ท่านสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาจนมีกำลังมากกว่ากิเลสตัญหากิเลสตัญหาก็เลยถูกสติปัญญาคือธรรมะป่าปามจนหายหมดสิ้นไปจากจิตจากใจเนพวกเราก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะเป็นทมอันเดียวกันเป็นกิเลสตัวเดียวกันเพียงแต่อยู่ในใจของเราเท่านั้นเอง ในใจของพระพุทธเจ้านี้ของพระสาวกนี้ไม่มีกิเลสลงเหลืออยู่แล้วมีแต่ธรรมล้วนๆเพราะท่านขยันสร้างธรรมะท่านขยันสร้างสติขยันสร้างปัญญากันจนทําให้มีกําลังมากกว่ากิเลสตัณหาจึงปราบกิเลสตัณหาที่เป็นอธรรมภายในใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้ใจของพระพุทธเจ้าก็เลยสะอาดบริสุทธิ์ ใจของพวกเรานี้ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์ยังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราทุกครั้งที่เรา ท, ทุกครั้งที่เราไม่สบายใจไม่ต้องไปหาผู้ต้องหาว่าเป็นใครมันอยู่ในใจเราคือกิเลสตัณหาของเรานี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเรา ไม่ใช่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มาทำให้เราทุกข์กิเลสตัณหาความโลภความอยากของเราตัณหาที่ทำให้เราทุกข์ด้วยการไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้คน น, ค น, ivering, นั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองพอเราตัดความโลภความอยากของใจได้ไม่มีความโลภความอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ไม่มีความโลภอยากให้สิ่งนั้นะะสิ่งนี้เป็นอย i, i i. ่างนี้สิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้นจะไม่มาทำให้เราเดือดร้อนใจได้ตัวที่ทำให้เราเดือดร้อนใจจึงไม่ใช่ของของที่อยู่ภายนอกใจสิง tough, mm ่งที่อยู่ภายนอกใจตัวที่ทำให้ใจเราเดือดร้อนก็คือกิเลสตัณหาของเราเองพอเขาพูดไม่ดีเราก็เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาพูดดี พอเขาพูดดีเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาทำตามความอยากของเราพอเขาพูดไม่ดีเราเดือดร้อนเพราะเขาไม่ทำตามความอยากของเราแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเขาจะพูดดีไม่ดีมันไม่มันไม่ทำให้เรารู้สึกอะไรมันไม่ทำให้เราดีใจเสียใจกับการการพูดดีหรือกับการพูดไม่ดีของเขาเลยนี่แหละคือ เรื่องของการมาสร้างความสงบสร้างความสุขต้องสร้างด้วยการกำจัดตั Z, ตวที่ก่อกวนก่อกวนความสุขความสงบเหมือนสังคมเนี่ยที่เราจะอยู่กันอย่างสงบนี้เราต้องคอยกำจัดตัวที่มาสร้างความมาก่อกวนให้สังคมไม่สงบเนีจึงต้องมีตำรวจมีทหารมาคอยกำจัดพวกที่ก่อกวนทำลายความสงบของสังคม พอตำรวจทานมีกำลังมากกว่าพวกก่อกวนก็สามารถปราบพวกก่อกวนให้หายไปอย่างราบคาบได้พอไม่มีตัวก่อกวนความสงบของสังคมแล้วสังคมก็ตั้งอยู่ในความสงบอันจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจของเราวุ่นวายทุกข์กันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะคนนั่นคนนี้ ไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะว่าร่างกายแก่ร่างกายเจ็บเรือร่างกายตายมันเกิดจากกิเลสตัณหาของใจนี้ที่ไปอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเลยาสร้างความวุ่นวายใจสร้างความทรมานให้กับใจ พอเรามาฝึกสติพุทโธพุทโธสู้กับความอยากต่างๆถ้าเราไม่หยุดพุทโธเดี๋ยวความอยากต่างๆก็จะหยุดลงไปพอหยุดลงไปปั๊บจิตก็จะสงบขึ้นมาพอจิตสงบเราก็จะเห็นความแตกต่างทันทีระหว่างเวลาที่จิตไม่สงบกับสงบเป็นเหมือนสวรรค์กับนรกเลยตอนที่เจ็บวุ่นนี่ตอนที่เกิดความอยากนี่อยากให้ความเจ็บหายไป นัสมาธิแล้วเกิดความเจ็บตรงนั้นตรงนี้เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปนี้ใจจะรู้สึกทรมานมากแต่เราถ้าเรามีศรัทธามีความมั่นมีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราใช้สติสู้กับมันให้เราใช้พุทธโธบริกรรมไปถ้าเราบริกรรมแบบไม่หยุดเนี่ยยอมยอมยอมขาดใจตายไปครับคํา บ, บ, บริกรรมเลย เดี๋ยวไม่นานนใจก็จะสงบขึ้นมาทันทีพอสงบแล้วใจที่เป็นนารกนี้มันจะพลิกกลายเป็นสวรรค์ขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดนหาสัจจันใจยังจะเห็นอนุภาพเห็นคุณประโยชน์ของสติที่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้พวกเราหมั่นมาฝึกมาเจริญกันพอได้สักครั้งหนึ่งแล้วทีนี้มันจะไม่หลงไม่เลย ม, มันจะไม่ขี้เกียจอีกต่อไป มันจะเห็นคุณค่าของสติของพุโทโธเหมือนกับเราเห็นคุณค่าของเพชรนินจินดาพอเราได้เพชรนินจินดาแล้วทีนี้เราก็อยากจะกลับมาหามันอีรู้ว่าตรงนี้มีเพชรนินจินดาเราก็จะกลับมาขุดกันขุดมันพอขุดได้แล้วเราก็มีกําลังใจอยากจะขุดมากขึ้นมากขึ้นไปพอเราฝึกสติจนเราสามารถควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้ หยุดความคิดหยุดความอยากได้แนละ้วทีนี้เราก็มีที่พึ่งขั้นที่หนึ่งแล้วคือสติซึ่งยังเป็นที่พึ่งที่ไม่สมบูรณ์อยู่เพอสตินี้จะสามารถทำใจให้สงบได้เป็นพักๆเป็นแวะแต่ยังไม่สามารถที่จะทำให้สงบได้ตลอดเวลาเพอสติของเรามันก็ยังมีมีการเผลอมีการหยุด เวลาที่เราหยุดเวลาที่เราไม่เจริญสติความคิดปรุงแต่งมันก็เกิดขึ้นได้อีกความอยากมันก็เกิดขึ้นมาได้อีกความทุกข์ก็จะเกิดตามขึ้นมาอีกเหมือนกับรถยนต์เนี่ยถ้ารถยังยังวิ่งอยู่เวลาเราเหยียบเบรคมันก็หยุดพอเราปล่อยเบรคมันก็ยังวิ่งต่อไปได้เช่นรถที่ใช้เกียร์ออโต้เนี่ยพอเราเปียบเบรคมันก็หยุด พอเราปล่อยเบยรคมันก็ยังวิ่งต่อไปได้วิธีที่จะทําให้รถเกียร์โต้ไม่วิ่งต่อไปหลังจากที่เราเหยียบเบรคแล้วเราก็ต้องดับเครื่องเท่านั้นเข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์จอดแล้วก็ดับเครื่องทีนี้มันก็จะไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบเบรคมันก็ไม่วิ่งต่อไปฉันใดใจของเรามันก็ยังคิดของมันอยู่ มันจะหยุดคิดช่วงที่เราใช้สติควบคุมมันพอเราปล่อยสติพอเราหยุดบริกรรมพุทโธมันก็เริ่มคิดใหม่ได้เริ่มคิดหรือเวลามันมีความจำเป็นที่จะต้องออกมาทาภารกิจต่างๆมันก็ต้องใช้ความคิดเวลาเน่าเข้าสมาธิตอนนั้นเราไม่ได้ทำภารกิจอะไรเราหลับตานั่งหลับตาพุทโธจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบ เดี๋ยวสักพักเราก็ต้องออกมาจากสมาธิเพราะเรามีภารกิจอื่นๆที่เราต้องทำเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับชีวิตของเราเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของเราเราก็ต้องออกมาทำงานความทำเช็ดคอดเช็ดถูที่อยู่อาศัยทำความสะอาดซักเสื้อผ้ารับประทานอาหารอาบน้ำอาบท่าออกกำลังกายอะไรต่างๆมันก็ต้องดึงใจออกมาคิดนะ ถ้าเราไม่มีสติเดียวมันก็เผลอคิดไปทางความอยากได้มันก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจรอบใหม่ขึ้นมาได้เราก็ต้องใช้สติหยุดมันแต่ถ้าเราอยากที่จะทำให้มันความอยากความโลภตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจนี้ให้มันหายไปหมดหลังจากที่เราออกจากสมาธิมา เราก็ต้องมาหัดใช้ปัญญากันเพราะปัญญานี่แหละเป็นผู้ที่จะมาทําลายความอยากความโลภต่างๆให้หายไปอย่างถาวรสตินี้เป็นเพียงกดเอาไว้กดกิเลสเกิดกดตัณหาเหมือนหินทับยาเนี่ยเวลาเข้าสมาธินี้ท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเอาหินไปทับยาเข้าสมาธินี่แล้วเอาสติไปทับกิเลสตัณหาไว้ ไปหยุดกิเลสตัณหาแต่พอออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับเอายกหินออกจากหญ้าหญ้าที่ถูกหินทับอยู่มันจะไม่งอกงามมันจะไม่เจริญเติบโตได้แต่พอเอาหินที่ทับหญ้าออกไปหญ้ามันก็จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้กิเลสตัณหาก็แบบนั้นเวลาเข้าไปในสมาธิถูกกิเลสถูกสติกดเอาไว้ ทับเอาไว้มันก็แสดงตัวไม่ได้ตอนนั้นความทุกข์ก็ไม่มีในใจมีแต่ความเย็นมีแต่ความสุขความสบายใจแต่พอถอนออกมาจากสมาธิมาทํากิจกรรมต่างๆทําภารกิจต่างๆเดี๋ยวมันก็เริ่มคิดไปทางความโลภความอยากได้เพราะความโลภความอยากยังไม่ได้ถูกทําลายด้วยสตินั่นเองมันเห็นอะไรก็อยากได้ขึ้นมา ได้ยินอะไรก็ไม่อยากฟังขึ้นมาได้ยินเสียงไม่ดดก็ไม่อยากฟังขึ้นมาความอยากไม่อยากกับสิ่งต่างๆนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นเป็นตัวที่สร้างความไม่สบายใจทั้งนั้นถ้าจะทำให้กิเลสต่างๆเรานี้หายไปหมดก็ต้องหัดใช้ปัญญาหัดใช้ปัญญาสอนใจให้รับรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจออกมาสัมผัสรับรู้นี้เขาเป็นอนัตตา เขาเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไม่ได้ไปห้ามไม่ได้เสมอไปเราจะไปสั่งให้เขาพูดดีอย่างเดียวสั่งให้เขาพูดไม่ดีห้ามไม่ให้เขาพูดไม่ดีไม่ได้บางทีเขาก็ห้ามตัวเ็าเองไม่ได้บางทีเขาก็อยากจะพูดไม่ดีเราห้ามเขาไม่ได้ตัวคนพูดเองก็ห้ามตัวเ็าเองไม่ได้ ให้เราทําความเข้าใจแบบนี้ให้เรามองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เหมือนกับฝุดินฟ้าอากาศที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เหมือนกับเครื่องปรับอากาศในห้องเรานี่เราสั่งได้ใช่ไหมวันนี้อยากใช้เย็นกี่องศาแล้วก็ไปตั้งที่ตัวตั้งได้ แต่เราไปตั้งอากาศช้างนอกไม่ได้ว่าวันนี้ขอให้เย็นยี่สิบห้าองศาเทวดามันไม่ฟังเรานะเป็นฟ้าอากาศมันไม่มีตัวตนไม่มีใครมาควบคุมบังคับมันมันมีแต่เหตุปัจจัยที่ทำให้มันปรากฏเป็นอะไรขึ้นมาฝนมันก็มีเหตุปัจจัยทำให้มันตกอากาศร้อนอากาศเย็นมันก็มีเหตุปัจจัยทำให้มันร้อนมันเย็นเหตุปัจจัยคืออะไรก็คือ การหมุนโคจรของโลกเรานี่แหละที่มันหมุนไปหมุนมามันเลยบางทีก็หมุนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มันก็เลยทำให้ซีกที่เราอยู่ร้อนซีกที่อยู่ห่างไกลจากอาทิตย์ก็หนาวเดี๋ยวอีกสักพักมันก็หมุนไปหันเอาซีกของเราห่างไกลจากดวงอาทิตย์ก็ทำให้เราหนาวขึ้นมาซีกที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มันก็ร้อนขึ้นมาเพราะโลกมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะโลกมันโลกมันหมุนเวียนไป เลยทให้ดินฟ้าอากาศมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามไปควบคุมบังคับมันได้เหตุการณ์ต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้ไม่ว่าจะจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือสิ่งที่เราเรียกว่าไม่ธรรมชาติคือมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ที่เราอยู่ร่วมกันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาให้เขาทาดีกับเราตลอดเวลา ไม่ให้เขาทำไม่ดีกับเราบางเวลาเขาเนิบหมันเคี้ยวเราเขาก็กัดเราได้บางเวลาเขาเนึกอยากจะดีกับเราก็ดีแสนดีเพอเขาก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนบางวันมีอารมณ์ดีก็ทำอะไรดีไปหมดคิดดีพูดดีทำดีวันไหนมีอารมณ์หงุดหงิดก็กลายเป็นยักษ์เป็นมารไป ก็ตัวเขาเองก็ยังควบคุมตัวเขาเองไม่ได้แล้วเราจะไปควบคุมเขาได้อย่างไร น, นี่คือคําว่าสัพเพธรรมานัตตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนาตตามันไม่มีใครที่จะมาควบคุมบังคับมาสั่งให้ได้ให้มันเป็นไปได้ตลอดเวลาควบคุมบังคับได้เป็นบางครั้งบางเวลาแต่ไม่สามารถครวบคุมบังคับให้มันเป็นได้ตลอดเวลาเช่นร่างกายของเรานี่ เวลาที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาว เ, าเรายังควบคุมบังคับมันไม่ให้มันแก่ได้ไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้ให้มันแข็งแรงได้แต่ต่อไปเวลามันแก่ขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ความจริงเหล่านี้เราจะได้ระงับความอยากของเราว่าอยากไปอยากให้เสียเวลาอยากล้เหนื่อยไปเปล่า อย่างเราทุกไปปาปาไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงอะไรสู้อยู่กับมันไปอยู่แบบสักแต่ว่ารู้ไปอยู่กับอุเบกขาไปทําใจให้เป็นอุเบกขาวางเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรต่างๆมันก็จะทําให้ใจเราไม่เดือดร้อนนี่คือการใช้ปัญญา ต้องมองทุกอย่างว่าเป็นตายรักนั่นเองเป็นอนัตตาก็ได้เป็นอนิจจังก็ได้อนิจจังก็คือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันข้ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันพลิกไปพลิกมาทุกขังก็ได้มองวันทุกทุกเพราะอะไรก็เพราะว่าเวลามันเปลี่ยนมันก็ทำให้เราทุกเวลาที่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันก็ทาให้เราทุกเนี่ย มองทุกสิ่งทุกอย่างพระตถาจารย์บอกให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามองด้วยปัญญาถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่าไปหวังอะไรจากมันเราก็หยุดความอยากของเราได้ไม่ไปหวังอะไรไม่ต้องการอะไรให้มันเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปเราไม่ค่อยทุกข์กับผลดินฟ้าอากาศเท่าไหร่ใช่ไหม ฝนจะตกเราก็ไม่ทุกข์กับมันฝนไม่ตกเราก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะเรารู้ว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งฝนไม่ได้เราก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าเราปล่อยร่างกายของเราให้เป็นเหมือนกับเราปล่อยดินฟ้าอากาศได้เราก็สบายเพราะเรารู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายก็ปล่อยมันหายไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเราไม่ได้ตายไปกับมันเราไปกลัวอะไรเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นร่างกายเราก็สุขตลอดเวลาถ้าเรารู้จักวิธีใช้ปัญญาพิจารณาทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะหยุดความโลภความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราได้เราก็จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสงบ ยังมีความสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกับมันแต่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับใจของเราเพราะใจของเราไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้วาใจเพราะกิเลสตัณหาเที่ยตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจได้ถูกกำจัดด้วยพลังของปัญญาคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งปวงนั่นเอง นี่แหละคือวิธีสร้างที่สร้างบุญสร้างกุศลที่จะมาให้ความสุขกับเราแทนร่างกายเวลาที่ร่างกายของเรานี้ไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เรายังมีความสุขต่อไปได้ถ้าเรามีบุญที่เราสร้างจากการทําทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ บุญเหล่านี้จะมารักษาใจของเราให้ความสุขกับใจของเราต่อแทนร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายด้วยถ้าเรามีบุญเหล่านี้มาให้ความสุขกับใจเราก็ไม่ต้องมีร่างกายร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ไม่มาเกิดใหม่อีกต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรามาสร้างกัน ด้วยการไม่ประมาทด้วยการระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเพราะมันจะเป็นตัวที่จะมากระตุ้นให้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลก่อนเป็นตัวที่จะมาตัดทอนความอยากความโลภให้มันน้อยลงไปแล้วเราจะได้มีที่พึ่งอันใหม่คือมีบุญเป็นที่พึ่งให้ความสุขกับเราไปตลอดตั้งแต่ บัด น, นี้ไปตั้งแต่เราเริ่มทําเราก็จะเริ่มมีบุญขึ้นมาเราก็จะเริ่ใช้เราก็จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเราเริ่มมีความสุขใจแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายหรือถ้าใช้ก็ใช้น้อยลงกว่าเก่าเพราะเรามีความสุขแบบใหม่ต่อไปเราก็ใช้ความสุขแบบใหม่นี้ตลอดเลยไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บและร่างกายตายก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุมโมทนาให้พร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 ยันโทปะนาราโสยะามนีโชติหะโสยะาสัพพิติโยวิวัจันสัพพโรโวินัสตุ มาเตผวะตวันตรารโยสุขีทีขายุโกผวะพิวาธนสีลิบสนิจังวุฒาปจายโนจตารุธมรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามชอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากที่เลิกประชมุมแล้วก็ขอยุดติการถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จากเฟ c e b o o สามร y อยเก้ายู9สองร้อยห้าสิบเก้าวิทยุออนไลน์สามรับฟังบนเขา 9, ร้อยยี่สิบเก้ารวมเจ็ดร้อยท่านค่ะอืมเจ็ร้อยท่วนๆเลยและไม่มีเศษเลยท่วนค่ะ <c oughs> นานๆจะเจอเลขกลมๆเย่ะดิ <c oughs> มีใครอยากจะถามอะไรไหมยกมือได้จะส่งไมโครโฟนไปให้ ถ้ายังไม่มีก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อนคำถามจากคุณวิจัยการเกิดดับของจิตผมเข้าใจว่าการเกิดคือการที่จิตคว้าอารมณ์หรือกิริยาอาการใช่ไหมครับการดับคือการที่ปล่อยที่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมครับคือการเกิด ของจิตคือหมายถึงการเกิดของเกิดดับของอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตมันเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยสัมผัสรับรู้อะไรก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์ชอบอารมณ์ชังขึ้นมาแล้วพอสิ่งที่สัมผัสรับรู้ผ่านไปอารมณ์นั้นก็ผ่านไปดับไปมันเรียกว่าเป็นการเกิดดับของจิตความจริงไม่ใช่ตัวจิตตัวจิตไ ม, ไม่เกิดไม่ดับ จิตเป็นของที่ไม่มีวันเกิดไม่มีวันตาย <Yeah. S 1> เป็นเหมือนความว่างใช่ไหมความว่างนี้ที่เราเห็นอยู่นียมันว่างอยู่ตลอดเวลามันไม่มีวันเกิดไม่มีวันดับจิตเป็น้ารู้ก็เป็นอย่างนั้นไม่เกิดไม่ดับแต่อารมณ์ที่มีอยู่ในจิตอารมณ์ที่ปรุงแต่งให้จิตเป็นอะไรต่างๆนี่มันเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยที่มาสัมผัสมากระทบกับจิตใจ yeah. แต่เราสามารถทำให้มันหายไปได้ทำให้จิตไม่มีการเกิดกันดับไม่มีอารมณ์เกิดดับได้ถ้าเราจเจริญภาวนาพัสสมรรภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทำจิตให้นิ่งเฉยไม่มีการปฏิกิริยาต่อสิ่งที่มาสัมผัสมากระทบจิตก็จะสักแต่ว่ารู้ไปก็จะไม่มีเกิดไม่มีดับอารมณ์ต่างๆ คำถามจากคุณนิยาดิฉันรู้สึกว่าไม่ว่าดิฉันจะไปรวมกลุ่มกับเพื่อนเหมือนเป็นอากาศธาตุเพื่อนไม่ค่อยนึกถึงดิฉันเวลาทำอะไรก็เหมือนสนุกกันเองพูดกันเองพวกเขาทำกันเองดิฉันทำกรรมอะไรมาและต้องทาอย่างไรดีเจ้าคะก็เราทำตัวไม่น่ารักมั้งเขาเลยไม่รักเราเราขาดความเมตตามั้งเราอาจจะอุเบกขามากเกินไป ถ้าเราเฉยกับเขาเขาก็เฉยกับเราถ้าเราทําอะไรให้เขาเขาก็จะทําอะไรให้เรามีกฎแห่งกรรมท่านว่าอย่างทําอะไรก็จะได้อย่างนั้นทำดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ดีไม่ทําอะไรก็ไม่ได้อะไรเห็นถ้าเราอยากจะให้เขาสนใจเราเราก็ต้องทําให้เขารักเราชอบเราเราก็ต้องทําให้เขามีความสุข อย่าไปหวังให้เขามาให้ความสุขกับเราก่อนเราต้องให้ความสุขกับเขาก่อนแล้วความสุขที่จะเขาจะให้เรามันจะกลับมาหาเราต่อไปถ้าเราไม่ให้ความสุขกับเขาเขาก็ไม่ให้ความสุขกับเราอันนี้เป็นเรื่องปกติฉะนั้นเราอาจจะหวังจากคนอื่นโดยที่เราไม่ยอมลงทุนหวังจะได้แต่ไม่ยอมลงทุนไปซื้อของไม่ยอมจ่ายเงินอย่างนี้มันก็ไม่ได้ของเลย ไปที่ร้านบอกขอขอเอาของชนิดนั้นชนิดนี้พอจะให้จ่ายเงินไม่จ่ายไม่จ่ายเขาก็เอาเขาของคืนเราต้องเสียสละก่อนเราต้องให้ก่อนแล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการกลับมาต่อไปคําถามจากคุณจิราภรณ์การฟังพระธรรมเทศนาบ่อยๆและปฏิบัติตามเปลี่ยนใจตัวเองอย่างสม่ําเสมอไม่ไปทําในสิ่งที่จะทําให้ตนเองเสื่อม แบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมเจ้าค่ะก็ใช้ได้แบบไหนแล้วก็ใช้ได้แบบนี้นะแต่มันต้องทำไปให้มันเจริญขึ้นไปเรื่อยๆให้มันถึงขั้นสูงสุดถ้าทำแค่นี้แล้วก็เหมือนเรียนเรียนอยู่ปหนึ่งก็ทำหน้าที่ของเด็กปหนึ่งไปไม่ยอมขึ้นปสองปสามมันก็มันก็ใช้ได้แค่ระดับปหนึ่ง แต่ถ้าอยากจะขึ้นปสองปสามมันก็ต้องทําให้มากขึ้นไม่ใช่พอใจเพียงแต่ทําเท่านี้ถ้าพอใจกับการทําเท่านี้ผลมันก็ได้เท่านี้ถ้าอยากจะได้มากกว่านี้มันก็ต้องทําให้มันมากกว่านี้ถ้าอยู่ปหนึ่งอยากจะขึ้นปสองก็ต้องขึ้นไปเรียนชั้นปสองไปทํางานของระดับปสองไป คำถามจะคุณพิมพนัทโยมชอบบังคับใจท่องนโมทุกครั้งที่ใจไปคิดอะไรก็ตามโยมจะกลับมาที่นโมทุกครั้งแบบนี้คือการบังคับจิตใช่ไหมเจ้าคะควบคุมจิตไม่ได้บังคับเียะว่าเป็นการควบคุมความคิดไม่หยุดความคิดเหมือนการรถยนต์เราต้องการให้รถยนต์หยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกเราต้องการให้จิตใจเราหยุดคิดเราก็ต้องใช้นโมหรือพุโทโธ หรือทำโมหรือสังโคคำบริกรรมใดก็ได้ที่ทำให้ใจไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่าไปบริกรรมเงินเงินเงินเดี๋ยวเกิดอารมณ์อยากได้เงินขึ้นมาต้องทำบริกรรมที่เป็นกลางๆเช่นพุทธโทรธรำโมสังโครหรือตายตายตายก็ได้พอคิดถึงความตายแล้วมันจะไม่เกิดอารมณ์มันเกิดจะมันจะหยุด ความตายนี้มันจะหยุดดิเลตได้ฉะงั้นบริกรรมไว้เพื่อ่จได้ควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้แล้วใจก็จะเบาจะสบายเวลาหยุดคิดถึงเรื่องที่หนักอกหนักใจคำถามจะคุณคถามจะคุณพิสนุการนั่งปฏิบัติทำสมาธิจำเป็นไหมครับที่ต้องปฏิบัติตามอริยามารคมีองค์แด ต้องปฏิบัติครบไหมครับในเรื่องการทํามาหาเลี้ยงชีพหรื อ, อยังต้องพูดโกหกอยู่ อ, อ๋อก็ต้องทําตามกดตามกติกาเนี่ยมือนถึงจะได้ผลไม่ใช่ว่าจะทําบางข้อบางข้อไม่ทําะเหมือนพ ว, พวกนี้เป็นเหมือนข้อสอบที่เราต้องทําเวลาเราข้อห้องสอบเขาก็จะเขียนข้อสอบให้เราทําเราทําข้อสอบไหนได้เราก็ได้คะแนนข้อนั้นไป ถ้าเราไม่ทำคุกข้อเราก็ไม่ได้เต็มร้อยเราก็ได้เจ็ดเอร์ซแปดสิบเอร์ซนแล้วแต่คำตอบที่เราทำไปอันนี้ก็เหมือนการมากแปดก็เป็นเหมือนข้อสอบข้อที่เราจะต้องทำให้ได้เราถึงจะได้ผลจากการปฏิบัติถ้ายังทำไม่ครบผลมันก็ยังไม่เกิดหรือกเกิดแบบไม่สมบูรณ์ คำถามจากคุณมลิวนันวัดที่ไม่มีกระถินถ้าเราอยากทำกระถินเราต้องทำอย่างไรเจ้าคะและทำได้ถึงวันที่เท่าไหร่เจ้าค ะ, ะวัดไม่มีกระนิ่ไปทำมันมีกรถินได้ยังไงก็ไม่มีกระถินมันก็ไม่มีกระถินก็ไปทำวัดที่เขามีกระถินเสยชอบไปทำในเรื่องที่มันทำไม่ได้แล้วมาถามให้เราตอบอยังไงใช่ไหม มันวัดไม่มีกรถินมันก็ไม่มีกรถินเลยแล้วจะไปทํำมันมีกรถินได้ไงก็มีได้ก็ต้องปีหน้าปีหน้าก็ไปหาพระมาอยู่จำมรรษาห้ารูปขึ้นไปพอมีพระอยู่จำมรนสาห้ารูป ก, ก็มีสิทธิ์ที่จะรับกรถินได้ทีนี้ก็อยู่ที่พระเขาอยากจะรับหรือไม่รับเองพระบางวัดท่านไม่อยากจะวุ่นวายกับงานจัดงานกรถินท่านก็ไม่รับก็มีบางวัดท่านก็ ไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องผ้าท่านก็เลยไม่รับกระถินเพราะท่านอยากจะเอาเวลาไปปฏิบัติไปภาวนามากกว่าก็เลยไม่อยากที่จะต้องมาวุ่นวายกับการเตรียมจัดงานเตรียมสถานที่รับแขกรับคนอะไรต่างๆแล้วพอได้ของมาก็ต้องเอาไปจัดการแจกจ่ายเพราะท่านไม่ต้องท่านไม่ต้องการจะใช้ของต่างๆที่ญาติโยมเอามาให้ บางวัดท่านก็เลยตัดปัญหานี้ไปเขาไม่รับกระถินดีกว่าภาวนาดีกว่าคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการทําสมาธิแล้วน้อมเอาสิ่งต่างๆเช่นวิญญาณหรืออะไรต่างๆเข้ามาในจิตตนจะทําให้เกิดอุปทานการยึดมั่นในสิ่งนั้นหรือไม่หรือเกิดประโยชน์อย่างไรในการน้อมเอาสิ่งนั้นๆเข้ามาครับการนั่งสมาธินี้ไม่ต้องการจะน้อมอะไร ต้องการหยุดความคิดอะไรที่เข้ามาก็ไม่ให้ไปรับรู้ไม่ไปไม่ให้ไปสนใจรับรู้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปสนใจให้อยู่กับบทภาวนาเช่นคำบริกรรมพุทโธไปหรือดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการรับรู้ไม่ต้องการมีอะไรต้องการทำใจให้ว่างการทำสมาธินี้เป็นการล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในใจให้มันหายไปหมด เมื่อหายไปแล้วใจจะได้ว่างจะได้เบาจะได้เยน็นจะได้สบายจะได้เป็นอุเบกขาขึ้นมาอันนี้คือเป้าหมายของการทำสมาธิไม่ใช่นั่งเพื่อน้อมนึกถึงเทวดานึกถึงนรกนึกถึงสวรรค์อะไรต่างๆซึ่งเป็นการจินตนาการของจิตแล้วก็เป็นหลงคิดว่าเป็นของจริงขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องของการภาวนา เรื่องของการภาวนานี้ต้องการทําใจให้ว่างทาใจให้สงบทําให้ใจเห็นใจเห็นตัวรู้เห็นว่าใจนี้คืออะไรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจากการภาวนาและได้จากการภาวนาสิ่งอื่นที่ได้นี้เป็นสิ่งที่มีทั้งคุณทั้งโทษถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราไม่ควรที่จะไปสนใจเหมือนกับเด็กที่ยังไม่มีปัญญาที่จะใช้มีดเราอย่าให้เด็กไป ใช้มีดเพราะเดี๋ยวเด็กอาจจะเอามีดมาทิ่มแทงตนเองได้สิ่งต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เราปฏิบัติถ้าเราไปสนใจไปยุ่งด้วยไปรับรู้ไปไปทำอะไรกับมันเดี๋ยวมันจะทำให้กลายเป็นปัญหากับเราได้คำถามจากคุณซอซอข้ถามที่หนึ่งวิบากกรรมของการโกงกินผู้อื่นเราจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรเจ้าคะ ก็จะถูกเขาโกงกินนะเนี่ยโกงเขาเราก็ต้องถูกเขาโกงเราทําอะไรไว้อย่างไรมันก็จะได้อย่างนั้นนะคำถามที่สองถ้าเราจะออกบวชสามีไม่อนุญาตเราจะบาปไหมเจ้าคะที่ทําให้คนอื่นเสียใจไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้ไปทุบไปตีเขาไปทําร้ายร่างกายเขาเราทําความดีแล้วเขาไม่เห็นความดีของเราเขาก็เสียใจก็เรื่องของเขาไป คำถามจากคุณหญิงการไปทอดกะถิ่นที่วัดกับการฝากเงินคนอื่นไปโดยโอนเข้าบัญชีได้บุญเท่ากันไหมคะเท่ากันครับคำถามจากคุณดนณภามีคนเคยบอกว่าการทำบุญนั้นหากว่าไปทำที่วัดที่ยังไม่เจริญจะมีที่มีคนไปทำบุญน้อยหรือไม่มีไปเลยจะทำให้ไม่ได้อานิสงส์เท่าไปทำที่วัดที่เจริญแล้วมีศรัทธาญาติโยมไปทาเยอะ เพราะบารมีแต่ลวัดไม่เหมือนกันจริงหรือเปล่าเจ้าคะไม่จริงหรอกบุญที่เราทำไม่ว่าทำที่ไหนมากน้อยอยู่ที่ปริมาณของการเสียสละของเราไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ผู้รับสถานที่หรือผู้รับนี้อาจจะมีอะไรให้เรากลับมาเป็นของแถมได้เช่นเราไปทำบุญกับวัดที่มีครูบาอาจารย์ที่มีบุญบารมีไปทำบุญกับท่านแล้วท่านก็แสดงทาให้เราฟัง เราก็จะได้บุญกลับมาเป็นของแถมถ้าเราไปทากับวัดที่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีผู้แสดงธรรมเราก็จะไม่ได้บุญส่วนนี้เราไม่ได้ของแถมแต่เราจะได้เพียงแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละของเราเหมือนกับเติมน้ามันรถเนี่ยเติมน้ามันรถเวลาเราไปเติมเราต้องการอะไรเราก็ต้องการน้ำมันรถใช่ไหมแต่บางปั๊มเขาก็มีของแถมให้ มีผ้ามีสบู่มียาซีฟันทอที่เราต้องการอะไรเราก็เลือกปั๊มมาเลยถ้าเราต้องการของแถมด้วยแต่โดยเป้าหมายหลักของการไปปั๊มก็เพื่อไปเติมน้ำมันการไปทำบุญก็เหมือนกันไปทำบุญก็เพื่อเอาบุญไปทำที่ปั๊มไหนก็ได้บุญเหมือนกันได้น้ำมันเหมือนกันไปทำวัดที่โด่งดังมีชื่อเสียงไปทำวัดที่ไม่โด่งดังมีชื่อเสียงก็ได้บุญเท่ากันได้น้ามันเหมือนกัน แต่สิ่งที่ไม่ได้คือของแถมของจากวัดนั้นจากปั๊มนั้นถ้าไปวัดที่มีครูบาอาจารย์โด่งดังก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไปวัดที่ไม่มีอาจารย์โด่งดังก็ไม่มีการแสดงธรรมให้ฟังก็ต่างกันตรงนี้ท่านั้นเองคำถามจากคุณปิตาที่พระอาจารย์บอกว่าจะไปนิพพานได้ต้องปฏิบัติเข้ามาอยู่ในระบบหมายถึงอะไรครับ ก็ระบบของพระพุทธเจ้าเลยระบบศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่ปฏิบัติในระบบของศีลสมาธิปัญญามันก็ไปไม่ได้เหมือนกับถ้าไม่ถ้าไม่ขึ้นถนนที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนั่นเองถ้าเป้าหมายของเราอยู่ที่เหนือทิศเหนือแล้วเราไปวิ่งถนนที่วิ่งไปทิศใต้มันก็ไปคนตทางกัน มันก็ไปไม่ถึงถ้าเราไปอยากจะไปที่ไหนเราก็ต้องวิ่งไปตามถนนที่จะพาเราไปถึงที่นั่นระบบก็คือถนนเนี่ยที่จะพาเราไปสู่นิพพานก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่เองคำถามจากคุณสุภชยัยปิติและความสุขที่เกิดขึ้นขณะนั่งสมาธิเป็นความสุขใจที่เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับการทาทานครับ อ๋อมันมากกว่ากันมันอิ่มกมากกว่ากันมีความสุขมากกว่ากันนเหมือนกินข้าวชามหนึ่งกับกินข้าวสองชามเนี่ยมันอิ่มต่างกันคําถามจากคุณพนมพรการวางจิตให้ข้ามเวทนาและการวางอุเบกขามีแนวทางอย่างไรครับก็ลองเจริญสติหยุดความคิดเวลาจิตเจ็บมันจะคิดปรุงแต่งให้ความ เจ็บหายไปเราต้องหยุดมันใช้คมบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปพอจิตสะพอคมบริกรรมสามารถหยุดความคิดความอยากได้จิตก็จะเป็นอุเบกขาจิตก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายจะรับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้แต่จะไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์สะเทือนไปกับการเจ็บของร่างกายคําถามจากอุบาสกพง์ พระโสดาบันท่านจะรู้ภูมิจิตภูมิธรรมของกันและกันไหมครับก็ต้องคุยกันเหมือนคนจบระดับปริญญาเนี่ยก็ต้องคุยกันถ้าไม่คุยก็ไม่รู้นถ้าเราจบปริญญาตรีคณะนี้เขาก็บอกว่าเขาจบปริญญาตรีคณะนี้เราก็ถามก็ได้ว่าวิชานี้เป็นยังไงวิชานั้นเป็นยังไงแต่เขาพูดตรงกับที่เรารู้ก็แสดงว่าเขาก็รู้เหมือนเราะ แต่ท้งก็พ ok ูดไปคนละเรื่องไปก็รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ก็ต้องคุยกันไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามระดับโสดาระดับสกิษดาระดับอนาคาระดับอรหันต์นี่จะรู้ว่าอยู่ระดับไหนก็ต้องคุยกันคนที่อยู่ระดับสูงกว่าจะรู้รู้คนที่อยู่ระดับต่ากว่าว่าอยู่ระดับไหนแต่คนที่อยู่ระดับต่ากว่าจะไม่รู้ว่าคนที่อยู่ระดับสูงกว่าตนนั้นสูงกว่าในระดับไหน แต่จะรู้ว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าเขามีความรู้ในระดับเดาน่าสูงกว่าเราคำถามจาา้าคุณนิยาทำใจให้เป็นบุญทำอย่างไรเจ้าคะก็ทำใจสงบมีหลายวิธีทำทางก็สงบระดับหนึ่งรักษาศีลก็สงบอีกระดับหนึ่งนั่งสมาธิก็สงบอีกระดับหนึ่งเจริญปัญญาเพื่อตัดกิเลสก็สงบอีกระดับหนึ่ง เป็นการทำใจให้สงบด้วยการกระทำชนิดต่างๆชนิดที่ง่ายก็สงบน้อย<ม>ชัิปที่ยากก็สงบมากพระพุทธเจา้าถึงสอนเอาให้ทําจากชนิดที่ง่ายขึ้นไปหายากทําทานง่ายกว่ารักษาศีลรักษาศีลง่ายกว่าการนั่งสมาธินั่งสมาธิง่ายกว่าการเจริญปัญญาเนี่ยมันต้องทําไปเป็นขั้นเหมือนคนที่วิ่ง วิ่งตอนต้นก็วิ่งระยะสั้นก่อนแล้วค่อยเพิ่มเป็นระยะยาวตอนต้นก็วิ่งกิโลหนึ่งต่อไปก็ห้ากิโลต่อไปก็สิบกิโลเพราะเวลามันวิ่งแล้วมันจะทำให้มีกำลังที่จะวิ่งเพิ่มได้มากขึ้นการทําทานก็จะทำให้เรามีกำลังที่จะไปรักษาศีลรักษาศีลได้ก็จะมีกำลังให้เราไปภาวนาไปนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิได้ก็ทาให้เรามีกาลังไปเจริญปัญญาได้ คำถามจากคุณต้นกล้าเคยได้ยินว่างานบุญกระถินได้บุญเยอะเพราะเป็นบุญจํากัดการและสมัยนั้นพระขาดผ้าแต่พอมาสมัยนี้เข้าใจว่าการทำบุญในสิ่งที่พระขาดแคลนและทำได้บ่อยกว่าไม่ต้องรอฤดูกระถินันอนีิสง์จะได้พอกับการกา ร, การทำกระถินไห่เจ้าคะถูกต้องแล้วคาว่านิสงของกรถินนี้ถ้าว่าเป็นประโยชน์ไม่ได้หมายคำว่าเป็นบุญ พอยุคนั้นขาดแขนผ้าถวายผ้าก็จะเป็นเกิดประโยชน์กับพระกับสงฆ์เป็นอย่างมากอาหารมีพอกินแล้วที่อยู่มีแล้วอยารักษาโรคมีแล้วแต่ที่ขาดก็คือผ้าพอยาดยมถวายผ้าเพิ่มพระก็จะได้มีผ้าไว้คอยเปลี่ยนเวลาฝนฟ้าตกผ้าเปียกจะได้ไม่ต้องใส่ผ้าที่เปียกเปียกก็เลยเป็นประโยชน์กับผู้รับคือพระ แต่บุญที่ได้ไม่ว่าจะถวายผ้าเวลาไหนมันก็ได้บุญเท่ากันนันก็ที่คําว่ากระถินมีประโยชน์มากเพราะยุคนั้นขาดแขนผ้าพระพุทธเจ้าก็เลยต้องบอกญาติโยมเพราะญาติโยมไม่รู้ว่าจะถวายอะไรให้กับพระเพราะเห็นพระไปเก็บผ้าใช้ผ้าบางสกุลก็เลยคิดว่าเป็นธรรมเนียมของพระเพียงอย่างเดียวจะไม่รับผ้าอย่างอื่นพอพระพุทธเจ้าบอกว่าถวายผ้าได้เขาก็เลยถวายกันใหญ่ คำถามจากคุณปิยนันท์วิธีเจริญสมาธิในท่านอนควรจะนอนในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมที่สุดครับอ๋อไม่ควรเจริญในท่านอนเลยเพราะมันเป็นท่าหลับนอกจากว่าไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยให้ลุกขึ้นมานั่งไม่ได้ก็พยายามเจริญไปแต่มันจะหลับง่ายงายท่านอนเพราะมันสบายถ้าอยากจะให้ไม่หลับก็ต้องอยู่ในท่านั่งท่าเดินหรือท่ายืน มันก็จะไม่หลับ ง, ง่ายแต่ถ้าท่านอนนี้ต้องจําเป็นจริงๆเช่อนอยู่ในท่าอื่นไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนอนสมอยู่บนเตียงก็ยังสามารถภาวนาได้แต่จะภาวนาได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กำลังของสติถ้าสติน้อยเดี๋ยวพุโทโธได้สองสามคำก็ครอกครอก ถ้ามีสติมากที่ก็จิตก็จะสงบเย็ยนสบายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายคำถามจากคุณกนกวันบุญจากการทำกรถินหรือผ้าป่ากับบุญจากการรักษาศีลภาวนาต่างกันอย่างไรคะก็คนละแบบไงการบุญได้ได้จากการทำทำผ้ากรถินผ้าป่าก็การเสียสละเข้าของเงินทองไง ก็ได้ความสุขระระดับของฐานซึ่งน้อยกว่าความสุขที่ได้รับจากการไม่ทำบาปนะพอเราไม่รักษาศีลใจเราก็จะไม่ร้อนพอเรารักษาพอเราทำบาปใจเราก็จะร้อนขึ้นมาอย่งมันเป็นบุญคนละอยา่างเป็นเป็นเหมือนอาหารคนละชนิดอาหารหนักอาหารเบาทานนี้เปรียบเทียบเหมือนขนมนะกินเข้าไปก็ทำให้รู้สึกอิ่มแต่ไม่อิ่มเต็มที่ ถ้ารักษาสีนี่เป็นเหมือนได้กินข้าวแต่ก็ยังไม่อิ่มเท่ากับไปมีข้าวด้วยมีกับด้วยมีอะไรด้วยนี่มันก็เป็นระดับของความสงบระดับของความสุขใจที่ต่างกันหมดแล้วโอเคมีใครอยากจะถามไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา